ไม่ใช่ชาติเดียวเนี่ยนะังนั้นคนที่ฆ่าคนอื่นเสร็จแล้วตัวเองไม่ถูกฆ่ามีอยู่ท่านเดียวเท่านั้นคือพระองค์คุริมานเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตัวเองเนี่ยฆ่ากิเลสได้เสร็จแล้วถ้าฆ่ากิเลสเสร็จแล้วเนี่ยก็พ้นจากการถูกฆ่าเพราะออกจากวัฏฏะแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นเนี่ยนะถ้าก็สิ่งใดที่ทําไว้นั้นคือสมบัติของตนต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นหวังว่าคงมีแต่มรดกที่ดีให้ตัวเองได้รับต่อไปใช่ไหม มาดูข้อความในอุทานมาขึ้นวักสุดท้ายแล้วนะเรียนไปแล้วเจ็ดสิบสูตรเหลืออีกสิบสูตรคิดว่าอาทิตย์หน้าก็คงจบจบเล่มมันนะจนพรอมมาสูสูตรว่าด้วยเรียกว่าเป็นที่อย่างลงของพระศาสนานี้พระศาสนานี้มีการศึกษามีการปฏิบัติมีจุดหมายปลายทางคือการแทงตลอดพระนิพพาน เพราะว่าพระนิพพานถือว่าเป็นธรรมที่สูงสุดธี่รวันนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นบรมสุขเปกเป็นเอกันตสุขเป็นสุขที่แท้จริงเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขโดยส่วนเดียวพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็สรรเสริญแต่พระนิพพานพระริยเจ้าทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติธรรมสิ่งที่มาอันดับหนึ่งทั้งหมดก็คือพระนิพพานเพราะท่านถือว่าเป็น เป็นความสุขจริงๆเหมือนคนไข้ที่มีโรคก็พูดถึงแต่คำว่าหายโรคฉันใดผู้ที่เข้าใจในพระธรรมทั้งหลายก็จะฝักมีใจฝักฝ่ายถึงพระนิพพานเพราะเห็นว่าสังขารทั้งหลายนี่ไม่ไม่ปลอดภัยจริงๆนะสังขในโลกของสังขารไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่นอนไม่พอที่จะเอาเป็นที่พึ่งเป็นแก่นสารสาระได้แท้จริง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 ให้ภิกษุทั้งหลายเห็นแจง้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมีกระถาอันปฏิสังยุตตด้วยนิพพานก็คือพระองค์เอาอาสังคตาสังยุตนั่นแหละแสดงให้พระภิกษุทั้งหลายฟังก็ภิกษุเหล่านั้นกระทาให้มั่นมนาสิการแล้วน้อมนึกถึงธรรมีกระถาด้วยจิตทั้งปวงพระภิกษุท่านก็เก่งจริงๆเหมือนกันท่านก็ติดตามพระธรรมคำซ้อนเหล่านั้น โดยไม่คลาดเลยนะประมวลใจทั้งหมดติดตามพระธรรมเงี่ยโสดลงฟังธรรมคือพระนิพพานนะนะั้นลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่อายตนะคือนิพพานเนี่ยนะนะหมายคืว่าเป็นอารมณะปัจจัยของมัคจิตพลจิตและ อะไรปัจเวกขณะยานอายตนะคือนิพพานที่เป็นอารมณปัจจัยแก่มรรคผลนั้นน่ะมีอยู่ไม่ใช่ธาตุดินไม่ใช่ธาตุน้ําไม่ใช่ธาตุไฟและธาตุลมเห็นไหมคือไม่มีสภาวะของรูปคือดินน้ําไฟลมเลยพระนิพพานไม่ใช่อากาสารัญญาตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะลักษณะของนิพพานไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้า พระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองก็ไม่มีอยู่ในนิพพานนั้นมันพระนิพพานนั้นปฏิเสธดินน้ําไฟลมปฏิเสธมหาภูตรูปสี่มหาภูตรูปสีนี่ขอบเขตเขาถึงไหนบ้างอะรู้ไหมว่ามหาภูตสีเนี่ยขอบเขตถึงไหนมหาภูตรูปสีนเนี่ยนะตัวมหาภูตารูปสีเนี่ยรวมถึงอรูรวมถึงอัคนิทภพก็ยังถือว่ามีมหาภูตรูปสี่ นรกเป็นเบื้องล่างไล่จนถึงพรห ม, มโลกรูปประพรหมทั้งหลายก็เป็นใจกับมหาภูตรูปสี่เพราะฉะนั้นนิพพานเนี่ยนะสภาวะแห่งนิพพานไม่มีมหาภูตรูปสี่อยู่ด้วยเลยนิพพานจึงไม่มีสีเสียงกลิ่นรสและผัวทพ่าทั้งหลายขณะเดียวกันนิพพานก็ไม่ใช่อารูปประพบไม่ใช่อากาศานัญจา ย, ยตนะไม่ใช่มีสภาวะอยู่แบบจิตเจตสิกไม่ใช่ ไม่ใช่อากาสานัญญายตนาวิญญาณัญญายตนาอากินจัญญายตนะนิพพานก็ไม่ใช่โลกนี้และก็ไม่ใช่โลกหน้าเองนิพพานไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าเพราะโลกนี้เป็นชื่อของอุปาทานขันท่าไม่ใช่อุปาทานขันอันนี้แล้วก็ไม่ใช่อุปาทานขันอันหน้าพระแล้วก็ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ไม่มีในนิพพาน ภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวซึ่งอายตนะนั้นว่ามีการมาและการไปเป็นการตั้งอยู่เป็นการจุติหรือว่าเป็นการอุบัติสรุปว่านิพพานนั้นไม่มีมาไม่มีไปไม่มีตั้งอยู่ไม่มีเกิดไม่มีตายอายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ไม่มีตำแหน่งอยู่ตำแหน่งของนิพพานอยู่ตรงไหนมิได้เป็นไปอนารมณะรู้อารมณ์ไม่ได้ สภาวะของนิพพานไม่รู้อารมณ์หาอารมณ์ไม่ได้แปลว่านิพพานนั้นเป็นอสังขตะธรรมไม่ใช่จิตเจตสิกที่ไปรู้อารมณ์นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกเนี่ยนี่คือที่สุดแห่งทุกนะดังนั้นพระนิพพานนั้นจึงมีลักษณะไม่เป็นไม่เกิดขึ้นนิพพานไม่เป็นไปนิพพานไม่มีนิมิตเครื่องหมายนิพพานไม่ใช่ตัวที่ทําให้เกิดในพบใหม่นิพพานไม่มีปฏิสนธินิพพานไม่ใช่คติทั้งห้า นิพพานไม่มีลักษณะที่บังเกิดขึ้นนิพพานไม่มีลักษณะที่อุบัตินิพพานไม่มีการกไม่มีชาติไม่มีชาราไม่มีพยาธินิพพานไม่ใช่มรณะนิพพานไม่มีโสกะปริเทวะและอุปาญาตเนี่ยนะนั่นแหละลักษณะของนิพพานละเป็นอย่างไรเนาะเห็นไหมในอัตตกถาว่านิบบานะ ปฏิสังยุตายะความว่าอาสังขตาธาตที่อาศัยอมตะธาตุเป็นไปด้วยอำนาจการประกาศให้รู้คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมปฏิสังยุตด้วยอสังขตาธาตเนี่ยเป็นการแสดงธรรมคือแสดงธรรมอันนี้เน้นแสดงนิโรสัจจะเป็นการประกาศคุณของนิโรสัจจะประกาศสภาวะของนิโรสัจจะที่เรียกว่าอาสังขตาธาต อะตัวนี้แปลว่าอะไรอะสังคตาธรรมนิยมแปลว่าไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแปลให้เต็มว่าธรรมที่ดับปัจจัยปรุงแต่งเนีย่ยนะสภาวะที่ดับปัจสภาวะที่ดับสังคตาธรรมเดี๋ยวสูตรต่อไปจะเห็นชัดเพราะว่าถ้าไม่มีพระนิพพานดับสังคตาธรรมไม่ได้มั้นพระนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะที่ดับปัจจัยปรุงแต่งถ้าบอกว่า นิพานคืออสังคตะเพราะไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเฉยๆอากาศถูกปัจจัยปรุงแต่งไหมอัชฉริอากาศเนี่ยนะมีอะไรไปปรุงแต่งอากาศนั้นไหมช่องว่างนี่อะไรไปปรุงไหมไม่มีอสังคตะธาตุนั้นจึงมีความหมายว่าธรรมที่ดับสังคตะทั้งหมดสภาวะธรรมที่สามารถดับสังคตะได้ หรือผู้ที่แทงตลอดอสังขตะเหล่านี้แล้วดับวัตถุทุกได้พ่า น, นิพานนั้นจึงเป็นสภาวะที่ดับนรกเป็นธรรมชาติที่ดับนรกนะเป็นธรรมชาติที่ทำให้ไม่ปฏิสนธิในนรกเป็นสภาวะที่ทำให้ไม่ปฏิสนธิในเปรตอสุรกายและเดรชาณเนนะเป็นสภาวะที่ไม่ถ้าตรัสรู้แล้วทำให้ไม่ปฏิสนธิในคันเป็นต้นท่าน พระองค์นี้แสดงถึงพระนิพพานโดยลักษณะพร้อมทั้งสภาวะและกิจนะว่าลักษณะของพระนิพพานนั้นสันติลักษณะคือสงบจากกองทุกทั้งมวลเป็นลักษณะเนี่ยนะบทว่าสมาธเปติให้ภิกษุยึดเอาอัตฐะเนี่ยนะคื อ, อให้น้อมไปเพื่อพระนิพพานสมุตเตเชสิคือเมื่อให้อุสาหาเกิดในการถือเอาประโยชน์อันนั้นชื่อว่าย่อมให้อบอุ่นให้ชดช่วง หมาก็ว่าให้อุตสาหะภาคเพียรปฏิบัติเพื่อถึงประโยชน์อันนี้นะอันนี้แหละเป็นประโยชน์สูงสุดประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าพระนิพพานชื่อว่าเป็นประโยชน์ที่สูงสุดบุคคลใดที่เห็นแก่ประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะสมัยพุทธกาลโดยมากละประโยชน์โลกนี้ละประโยชน์โลกหน้าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่สูงสุดทีนี้ถามว่าถ้าไม่ได้ประโยชน์ที่สูงสุดเสียหายไหม เสียหายไหมสมมติถ้าเอา ค, คำถามใหม่อาทีอาจจะฟังโจทย์ไม่ชัดถ้าฟังโจทย์ไม่ชัดโทษคนพูดทำไมก็กว่าถ้าเราบอกว่าสละประโยชน์โลกนี้สละประโยชน์โลกหน้ามุ่งเพื่อประโยชน์คือพระนิพพานอย่างเดียวเนี่ยนะเอาเป็นเอาตายแล้วไม่ได้ตรัสรู้ประโยชน์คือ น, นิพพานเนี่ยถามว่าเสียหายหรือไม่เสียหายไหมหมายคือว่าทุ่มเทเต็มที่แล้วก็ไม่ได้บรรลุเ ส, เสียหรือไม่เสีย ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสอานิสงค์ของปุพพายโยคาวจระสูตรว่าอานิสงค์ของการประพฤติสมถะและวิปัสสนาด้วยดีถ้าไม่ถ้าประพฤติปฏิบัติไว้ด้วยดีเนี่ยนะไม่ตรัสรู้ในวัยต้นก็วัยกลางไม่ตรัสรู้ในวัยกลางก็วัยปลายไม่ตรัสรู้ในวัยปลายก็ตรัสรู้ก่อนจะตายถ้าก่อนตายไม่ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ตอนที่เป็นพระนิเป็นเทวดา ว่าอุตุโภชนะอาหารเป็นต้นสปายะก็เป็นเหตุให้ตรัสรู้ได้เร็วถ้าไม่ตรัสรู้ที่เป็นเทวดาก็ได้ฟังธรรมแล้วตรัสรู้ที่เป็นตอนเป็นเทวดาหรือไม่เทพบุตรฝฟ้าแสดงธรรมให้ฟังก็ตรัสรู้หรือไม่ก็ท่าลงมาเกิดใหม่มาเป็นมนุษย์ก็ตรัสรู้เร็วเช่นพระพาหยะหรือคุชุตราอุบาสิกาเป็นต้นพันธะหากว่าทุ่มเทศึกษาภาคเพียรพยายามก็คงคือหมายเขาว่าถ้าเดินถูกทางเนี่ยนะ ถ้าเดินถูกทางไปอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบไปแต่ถึงไม่ไม่ถึงจุดหมายจริงแต่ก็ใกล้เข้าไปทุกสีฉันใดการปฏิบัติธรรมถ้าหากว่ามีการเจริญถูกปฏิบัติถูกถึงเก้าเดียวก็ชื่อว่าใกล้เข้าไปานะะพระนิพพานนั้นจึงควรอุตสาหะ น, นะเพื่อนน้อมไปเถอะแต่อย่าลืมนะว่านิพพานนี่คืออสังคตาาธาตุหรืออ ม, มะตะธาตุนนะก็บอกว่าพระนิพพานนี่ท่านบอกว่าอ ม, มะตะธาตุเพราะเป็นาธาตุที่ ถ้าตรัสรู้แล้วไม่น้อมไปเพื่อการตายเป็นการตรัสรู้สิ่งที่เรียกว่าไม่ตายแต่นี้เนื่องจากว่าคนทั้งหลายนี้ฟังธรรมแล้วเข้าใจผิดเข้าใจว่านิพพานคือตายก็เพราะฟังคำว่าดับขันทะปรินิพานดับขันทะปรินิพานตรงนั้นที่เรียกว่าอนุปาทิเสสานิพานธาตุเนี่ยอนุปาทิเสสานิพานธาตุตัวนั้ น, เน่เป็นทุกขสัจจะไม่ใช่นิโรสัจจะเนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะว่าดับวิบากและกรรมชรูปโดยจุตติจิตของพระอรหันติจิตจิตของพระอรหันต์สัจจะอะไรทุกขสัจจะเนี่ยนะไม่ใช่นิโรสัจจะคนก็เลยไปฟังว่าพระอรหันต์ดับขันธปรินิพานก็เลยนั่นแหละนิพานนั้นพอฟังคําว่านิพานปแปลว่าตายเข้าใจผิดคือคําว่าอย่างเช่นพระพุทธเจ้าดับขันะปรินิพานตรงนั้นเนี่ยคือดับทุกขสัจจะคือทุกขสัจจะไม่มีสืบเนื่องต่อไปอีกแล้ว อันนั้นไม่ได้มาแปลว่าคือสภาวะของนิพพานเห็นไหมขณะเดียวกันที่เรียกว่าสัพปาที่เสศานิพานทาก็เป็นทุกขสัจจะไม่ใช่นิโรสัจจะอีกนั่นแหละนิโรสัจจะคืออนุปาทาปรินิพานเป็นอสังขตธรรมสัพปาที่เสศานิพานเนี่ยตัวนั้นก็หมายถึงทุกขสัจจะเห็นไหมอนุปาที่เสศานิพานทาก็คือทุกขสัจจะเพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่ ไม่ใช่ตายนิพานไม่ได้แปลว่าตายนิพานแปลว่าไม่ตายสภาพที่ไม่ตายนั้นก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะตั้งทัศนคติกับนิพานให้ให้ตรงก่อนไม่งั้นเนี่ยนะใจเราก็ไม่น้อมไปใช่ไหมหลายคนเนี่ยบอกไม่ค่อยอยากบรรลุสัก์เท่าไหร่เพราะไม่แน่ใจแล้วบรรลุนี่มันดีจริงหรือเปล่าคือก็ไม่เห็นคุณไม่เห็นอันนี้สองใจก็เลยไม่โอนไปเพื่อเพื่อที่จะเห็นพระนิพาน บางทีเนี่ยระแวงนิดนด้วยซ้ำกลัวจะบรรลุเร็วไประแวงในใจเดี๋ยวเกิดบรรลุจะว่าไงเนี่ยเสียวๆกันกลัวได้บรรลุอย่างเงี้ว่าอนนั้นก็คือแสดงว่าทัศนคติที่ผิดพลาดต่อพระนิพพานเนี่ยนะทัศนคติที่เข้าใจผิดไปมองเห็นพระนิพพานกลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไป ไม่งั้นก็เป็นกลายที่ว่าตั้งความปรารถนาก็ว่าไป ล, มล้มล้มแงแรงก็ไม่ได้ดีอกดีใจอะไรจริงๆอะไรหรอกเขาว่าดีก็ดีไปกับเขาไปเนี่ยนะแต่นี้พระพิสุฟังแล้วท่านบอกเห็นแจ้งสมาทานอานฐาน ร, ร่าเริงคือสัมปะหังเสเ ส, เสตเนี่ยนะสัมปะหังเสติก็คือย่อมให้ยินดีด้วยคุณพระนิพานโดยชอบโดยประการทั้งปวงคือพระพิสุท่านดีใจมากที่ท่านได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของพระนิพานเหมือน สัตว์นรกที่ฟังเรื่องการพ้นจากนรกสันนั้นเหมือนพวกคนหิวพูดถึงอาหารเหมือนเหมือนอะไรเหมือนคนหิวพูดถึงอาหารที่อ ร, อร่อยเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าคนที่ที่รู้ว่าตายแน่เนี่ยพูดถึงสวรรค์อย่างนั้นก็คือเป็นสิ่งที่น่าดีใจยิ่งกว่านั้นเป็นพันเท่าเนี่ยนะอจริงๆแล้วก็พวกสังคตะธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีมีค่านับได้แต่อมตตะธรรมเป็นสิ่งที่มีค่าหาประมาณไม่ได้ นพระภิกษุเหล่านั้นที่ฟังทำเหล่านั้นจึงชื่นชมยินดีมากอีกในหนึ่งบทว่าสันทัตเสติความว่าพระองค์เนี่ยแสดงโดยชอบเป็นการประกาศพระนิพพานให้เหมาะสมแก่อัธยาศัยของภิกษุเหล่านั้นเ ห, หล่านั้นโดยประการทั้งปวงนะกล่าวว่าใส่ชื่อคําว่านิพพานเนี่ยชื่อเหล่านี้เนี่ยสภาวะนิพพานมีอยู่แต่การพูดถึงพระนิพพานเนี่ยต้องใช้ชื่อให้ถูกกับคำํำใช้คําให้ถูกกับบุคคล ต้องใช้คําให้ถูกกับบุคคลบางบุคคลนี้บอกว่าคนนี้เห็นพิษภัยของตันหามากอึดอัดจริงจังกับตันหานิพานนะถ้าเธอตรัสรู้แล้วเธอจะสิ้นตันหาแล้วท่านฟังแล้วก็ดีใจใช่ไหมบางพวกนี่โหราคะมันกลุ่มรุมจับจิตบอกว่านิพานเป็นธรรมที่คลายราคะนะบางคนบอกเห็นโทษของการเกิดในนรกเปรตอสุรกายเป็นต้นเนี่ย น, ะนิพานเป็นที่ดับของทุกเหล่านั้นนะ บางคนเห็นพิษภัยของสังขารที่เหมือนโรคเหมือนฝีบอกว่ามิ尼พานเป็นธรรมที่สงบสังขารบางคนที่เห็นโทษของขันธูปฏิกิเลสูปฏิอภิสังขารูปทีเป็นต้นเนี่ยบอกโอ้ทำ ม, มิ尼พานเนี่ยเป็นธรรมที่สละคืนอุปธิทั้งปวงนะนั้นก็ฟังแล้วก็ดีใจมากเน่นะเพราะว่ า, เ, าเห็นโทษเพราะผู้ที่เจริญวิปัสนาเนี่ยนะอึดอัดชิงชังในทุกข์สัตย์เต็มทีนี่นะเพราะว่าทุกข์สัตย์ทั้งหลาย ที่เจรณาโดยประการใดเนี่ยพบแต่ความไม่เที่ยงไม่มีความเที่ยงอยู่ในนั้นเลยพบแต่ความเป็นทุกข์ไม่มีความสุขที่แท้จริงอยู่ในสิ่งนั้นเลยอย่างถึงว่าแม้แต่อาหารอร่อยๆเนี่ยนะคิดง่ายๆถ้าเราเป็นแม่ครัวเองเนี่ยนะทำอาหารบางอย่างเนี่ยทาจนเหงื่อท่วมกว่าจะได้อาหารมาถ้วยหนึ่งกว่าจะเป็นอาหารถ้วยหนึ่งก็งเหงื่อท่วมเสร็จถ้าอาหารนั้นทานแล้วแสลงท้องเสียอีกนะ แพ้ชนะก็ต้องไปชำระล้างแล้วเดือดร้อนท้องเสียดีไม่ดีเนี่ยอาการแล้วก็เริ่มอีกเข้าโรงพยาบาลอีกเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าอร่อยผ่านนิดเดียวผ่านลิ้นนิดเดียวใครเคยทานอาหารแสลงมั่งทานเสร็จแล้วไข้ขึ้นเลยเนี่ยนะวันนั้นก็จะรู้ว่ามันดูดีจริงมันดูอะไรนะหน้าเพลิดเพลินจริงแต่ว่าทุกโทษที่มาจากสิ่งเหล่านั้นมากเกินกว่าที่จะพันธ น, นาเขาัย่งนั้นเนละ ก็ e บอกว่าทุกในโลกที่เราเห็นเห็นอยู่นะถ้าไม่มีสังขารจะมีทุกเหล่านี้ไหมเนี่ยนะสังขา ร, ร, ขารทั้งหลายที่บอกว่าเดือดร้อนเหลือกเกินทุกเหลือเกินลําบากเหลือเกินเจ็บปวดเหลือเกินสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะก็เกิดจากสังขารทั้งนั้นพรนพระนิพานเนี่ยเป็นที่ดับสังขารเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะทุกทั้งหมดเกิดจากอุปธิพระนิพานเป็นธรรมที่ดับอุปธิอันพระนิพานนี่จึงเป็นสิ่งที่ดีอันก็พระองค์นี้ก็แสดงให้พระพิสุท่านเข้าใจเนี่ยนะ ก็ผู้ที่เข้าใจพระนิพพานนี่มีเยอะไหมผู้ที่เข้าใจจริงก็บรรุนิพพานนั่นแหละอันสมัยพุทธกาลจึงผู้ที่ดื่มอมะตะนิพพานหาประมาณไม่ได้เอย่างอย่างทวนนะธรรมจกกักรปวัตตนสูตรบรรลุสิบแปดโกฏิปะกินากะากถาบรรลุวลรรรปวันที่ห้าแสดงอนัตตลักษณสูตรบรรลุอรหันต์อีกห้า หลังจากนั้นไม่นานพระยศะพร้อมทั้งสหายบรรลุอีกห้าสิบห้าผ่านไปพัทวัคีอีกสามสิบรรลุที่ไร่ฝ่ายผ่านไปกว่านั้นชฉดินสามพี่น้องพร้อมบริวารพันหนึ่งก็ได้ดื่มอมะตะธรรมผ่านไปพระเจ้าพิมพิสารพร้อมบริวารสิบเอ็ดหมื่น 11, ก็บรรลุโสดาบันเป็นต้นนะหลังจากนั้นแสดงกล่าวถึง ธรรมะที่กล่าวถึงเปรียดญาติพระเจ้าพิมสารก็บรลุวันละ8ปดหมพติดกัน7วันหลันก็โปรดพ ร, พระสารีบุตรพร้อมทั้งบริวารบรรลุอีก250หลังจากนั้นก็โปรดชาวอังคะกับชาวมคตบรรลุอีกหมื่นหนึ่งหลังจากนั้นพระเจ้าสุโธธนะก็ส่งพระพิสุมาอีกอส่งทหารพร้อมทั้งอมาตะสิบนาอีกอีกหมื่นกับอีกสิท่า น, นก็บรลุอีกเป็นหมื่น หลังจากนั้นก็ไปแสดงธรรมที่เมืองกบิลพัทก็บรรลุอีกเป็นโกดเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์ก็ตรัสรูก้การเป็นโกธหลังจากนั้นพระองค์ก็จาริกปโปรดสงเคราะห์อนุเคราะห์เวนัยศัตว์ทั้งหลายก็ดื่มอมะตะธรรมมากมายพระาศาสนาดำรงอยู่หลังสมัยพุทธกาลมาแล้วก็ตรัสรู้ติดตามมาเรื่อยๆาศาสนากระจายไปแม้กระทั่งไปในปัจจันตชนบทหลังสมัยพระเจ้าอาโศกเนี่ยนะ ก็ตรัสรู้ดื่มอมตะกันอีกมากมายพระศาสนาสืบทอดกันมาก็มีผู้ที่ได้ดื่มอมตะมาเพราะนั้นตอนนี้เราก็ได้ศึกษาคำสอนที่เป็นคำสอนที่เปิดประตูอมตะเพราะันปริยัติธรรมเนี่ยเบเป็นธรรมที่ชี้แนวแห่งโลกุตระเพื่อที่จะบอกทิศทางให้ตรัสรูอ้อมตะเพะ้ท่านเหล่านั้นฟังก็เลยเข้าใจเนี่ยนะผู้ที่เข้าใจนั่นแหละสามารถที่จะ ตรัสรู้ถ้าใครเข้าใจนิพพานดีคนนั้นคือผู้เห็นพระนิพพานถ้าของเราก็ฟังเพียงแต่รับทราบนะนะรับทราบแต่ยังไม่ได้เข้าถึงใจอะไรเพราะใจยังไม่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ถือว่ายังไม่เข้าใจได้ยินแต่ชื่อเขาว่าดีก็แล้วกันเหมือนอย่างว่าอะไรนะพอฟังก็บอกใครที่แขนขาดขาขา ด, ขา ด, ขาดเป็นต้นเนี่ยพิการเลือดไหลโชคแผลเต็มตัวไปหมดเลยเราก็เห็นรู้ว่าโอ้ทุกข์จริงๆ ผู้ที่ตรัสรู้นี้ผ่านเราก็ได้ข่าวว่าท่านเหล่านั้นสุขจริงๆมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์บอกแหมสเสวยวิมุตมติสุขเสวยวิมุตติสุขเรื่องว่าสุขจริงๆอะนะนั่งสุขอยู่ได้เจวันอะเคยไม่ได้ยินไหมเจ็บปวดเจ็วันนี้เคยได้ยินใช่ไหมความทุกข์เจวันในโลกเราได้ยินบ่อยๆหรือโอ้โหเจ็บป่วยมาเป็นหล้ายปีเราได้ยินแต่ในโลกทั่วๆไปนอกจากในคําสอนพระพุทธเจ้าที่เหลือนะสุขทั้งวันเลยเนี่ยนะหายาก ถึงขนาดนั้นที่บอกโอ้ยสนุกมากแต่ขนาดนั้นก็ยังหงุดหงิดสลับระหว่างอยู่ใช่ไหมมันก็ไอ้ที่จะสุกลุน้ลนๆเจ็ดวันดังๆที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จึงหายากแต่พระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะแสดงสิ่งที่ลึกซึง้งทำที่สงบดับวตัตถทุกขเหล่านั้นให้พระพิสุเหล่านั้นฟังตามอัธยาศัยบทว่าสมาธเปติความว่าพระองค์ทรงกระทําให้พิสุทั้งหลายน้อมไปในพระนิพพาน โอนไปในพระนิพพานเงื้อมไปในพระนิพพานคือมีอัธยาศัยมุ่งไปสู่พระนิพพานโดยส่วนเดียวคิดดูว่าถ้าตรัสรู้นิพพานแล้วพ้นอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยดีขนาดไหนพ้นจากความทุกขยากในวัฏฏะเนี่ยนะพ้นจากอะไรนะความทุกข์ทั้งมวลที่มันมีอยู่เนี่ยถ้าเราได้ฟังข่าวว่าทุกทุกทั้งหลายเนี่ยถ้าตรัสรู้นิพพานแล้วไม่ต้องทุกแบบนั้นเนี่ยสิ่งนั้นจะดีขนาดไหน ใจของพระพิสูจน์ทั้งหลายก็น้อมไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานเงื้อมไปสู่นิพพานการแสดงของพระองค์นี่แสดงพร้อมด้วยปฏิปทาเครื่องบรรลุนิพพานเครื่องบรรลุนิพพานปฏิปทามีอะไรบ้างานะสติกายคตาสติหรือสติประธานสีสัมมาประธานสีอิทิบาสีอินทรีห้าพละหา้าโพชงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเป็นต้นหรือกายานุปัสนาเวทนาจิตตาธรมมาเป็นต้นแต่ละอย่างก็ชื่อว่า ประตูแห่งพระนิพพานพระองค์ก็ชาติชวนให้ภิกษุเหล่านั้นนะ่ะถือเอาโดยชอบว่าเธอพึงบรรลุพระนิพพานด้วยอริยมรรคนี้ด้วยทางนี้นะเป็นทางที่จะทำให้แทงตลอดพระนิพพานพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแสดงพระนิพพานพร้อมทั้งข้อปฏิบัติไม่ใช่ชมว่าโอโ้ดีนะเยี่ยมโอโเขาเคยเมีเ ด, ดรัีกลุ่มหนึ่งงดีมากสวยงามแจ๋ววิเศษมําคืออะไรสวยดี แล้วอยู่ที่ไหนดีกว่าแล้วกันนะ่ะอย่างไงไม่ใช่แบบนั้นพระพุทธเจ้าบอกทั้งสิ่งที่เป็นของดีประเสริฐพร้อมทั้งข้อปฏิบัติที่ทําให้เข้าถึงสิ่งนั้นด้วยเนี่ยบทว่าสมุตเตเชติติความว่าทรงสําคัญพิสูจน์เหล่านั้นให้อาถานในการบรรลุพระนิพพานไม่ใช่แบบอะไรนะคืออาถานแบบทรงคนไปเอาลาบนะไปเอาโหไปเอาสิ่งที่มันดีมีค่าเนี่ยนะดีใจขนาดนั้น กล้าหารขนาดนั้นเหมือนอะไรนะเหมือนเมื่อกีฬาวิ่งไปเอาเหรียญทองไนงะรู้ว่าตัวเองจะได้เหรียญทองนี้ก็ยังไงคลานไปเลยใช่ไหมไม่นะรีบวิ่งเลยนะนี่ก็เหมือนการพระพิสูน์เหล่านั้นก็ใจกล้าที่จะปฏิบัติเพื่อพระนิพพานหรือทำให้จิตผ่องแผ้วในพระนิพพาน อย่างที่พระองค์ตรัสว่าพวกเธออย่าถึงความประมาทคืออย่าหยุดเสียในระหว่างทางในสัมมาปฏิบัติว่าพระนิพพานนี้ทำได้ยากจริงอยู่ยากก็จริงแต่อย่าหยุดในระหว่างทางนะเพราะถ้าประสบเข้าถึงแล้วจะเป็นความสุขที่แท้จริงนะอย่าไปคิดว่านิพพานเนี่ยทำได้ยากทำให้ยินดีได้ยากนะนะบางทีเนี่ยพลที่ที่คิดเล็กคิดน้อยคิดไปคิดมาก็บอก oo, นิพานนี่นะ คนจะต้องมีอุปนิสัยมีความเพียรจึงจะบรรลุได้แล้วเราล่ะแหมเราคงบรรลุไม่ได้มัง่งไหนไหนบนรรลุไม่ได้หรือว่าเราไม่ปฏิบัติเพื่อบรรลุกันแน่คือถ้าทําให้มันถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะมันไม่บรรลุค่อยว่าอีกทีนึ่งนะหมายคำว่าศึกษาข้อมูลสติประทานเป็นยังไงสัมมระทานอิทิบาทสัจจะเป็นยังไงวิเคราะห์ทําความเข้าใจอย่างเพียงพอแล้วทุ่มเทเอาเป็นชีวิตจิตใจถ้าอย่างนี้แล้วไม่บรรลุค่อยว่าอีกทีหนึ่ง แต่นี่ก็เหมือนกันสมัยนี้เขาก็บอกว่าโอ้ยปฏิบัติเอาจริงเอาจังมากก็ถามว่าคุณปฏิบัติอะไรเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้ก็แล้วกันสรุปว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการบรรลุมันบรรลุได้ยังไงตอบไม่ได้อย่าถามมากให้ปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยมันก็เลยมันจะไปบรรลุได้ยังไงถ้ามันบรรลุ ก, ก็เกินไปเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าพระนิพพานเนี่ยนะถ้าหากว่าศึกษาให้เข้าใจายอย่างถูกต้องแล้วเนี่ย ถ้าหากว่ามีอุปนิสัยเก่าบุญเก่าทำรรมาดีมีความภาคเพียรพยายามก็ไม่ใช่ว่าจะบรรลุได้ยากเคยได้ยินไหมสุขาปฏิปทาทันขิปปาพิยาปฏิบัติอย่างสบายแล้วก็บรรลุด้วยรวดเร็วด้วยเนี่ยนะ เ, เพราะฉะนั้นพวกเธอพึงลุกขึ้นพยายามปฏิบัติปฏิปทาอันหมดจดมีศีลวิสุทธิเป็นต้นพระนิพพานนี้เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เนี่ยนะ ผู้ที่จะบรรลุพระนิพพานที่บริสุทธิ์จะต้องอาศัยข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ทางกายวาจาบริสุทธิ์ทางจิตบริสุทธิ์ทางความเห็นเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ความเห็นที่พ้นจากความสงสัยความเห็นที่แยกแยะว่าอะไรเป็นทางไม่ใช่ทางจําแนกแจกแจงได้อย่างดีแล้วปฏิบัติตามทางอย่างเดียวก็จะบรรลุพระนิพพานได้ บทว่าสัมปห h a เสติความว่าเมื่อทรงทําจิตของพิสูจน์เหล่านั้นให้ยินดีให้ร่าเริงด้วยอ น, นิสงค์คือกําไรแห่งการบรรลุพระนิพพานอ น, นิสงค์แปลว่ากำไรใช่ไหมพระองค์เนี่ยพูดให้เห็นอะไรนะเห็นกําไรที่เกิดจากการบรรลุพระนิพพานนะบอกฟังแล้วยินดีเลยนะฟังแล้วยินดีร่าเริงโดยในเป็นต้นว่าพระนิพพานถ้าตรัสรู้แล้วเป็นที่สั่งเมา เป็นที่กำจัดความกระหายเป็นที่เพิกถอนแห่งอาไลแล้วก็บอกว่านิพานเนี่ยเป็นสิ้นที่สิ้นราคะ เ, เป็นที่สิ้นโทสะเป็นที่สิ้นโมหะพระนิพานนี่เป็นอ pues, สังคตธรรมพระนิพานเป็นอมตะธรมรมพระนิพานเป็นสันติธรรมพระพนิพพานฟังแล้วก็ร่าเริงแล้วก็เบาใจโอ้โถ้าตรัสรูเนี่ยสางเมาได้กำจัดความกระหายได้ถอนอาไลได้สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะ นี่แล้วก็เป็นธรรมที่ดับสังฆะเป็นธรรมที่ เ, เป็นอ ม, รรมตะเป็นธรรมที่สงบประงับเป็นธรรมที่สงบเป็นธรรมที่ประนีตเป็นธรรมที่กำจัดวัตถทุกขโดยประการทั้งปวงยิ่งฟังยิ่งสบายใจยิ่งเบาใจเนี่ยนะบทว่าเตจะภิกคูอธิกัรตวาความว่าภิกษูทั้งหลายกำหนดอย่างนี้ว่าสิ่งอะไรอะไรมีอยู่ประโยชน์นี้พวกเราควรบรรลุแล้วเป็นผู้มีความต้องการด้วยเทศนานั้น คือพระพิสุเหล่านั้นเนี่ยฝักใฝ่มากที่จะตรัสรู้พระนิพพานก็คิดดูนะว่าพระโพธิสัตว์ของเราก่อนที่ท่านตรัสรู้ท่านก็เที่ยวไปธรรมดาใช่ไหมหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยอะไรเกิดขึ้นบ้างพุทธานุภาพอันหาประมาณมีได้ก็เกิดจากการตรัสรู้พระนิพพานถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้นิพพานเนี่ยนะสิ่งทั้งมวลเหล่านั้นจะมีได้ไหมก็มีไม่ได้ บทว่าพิสูจเหล่านั้นนะพิสูจนเหล่านั้นมนัสิกัตตวาพิสูจนที่ฟังทำเนี่ยท่าบอกว่ามนาัสิกัตตวาหมายเขาวางไว้ในใจตอนที่ฟังพุทธพจน์เนี่ยนะวางไว้ในใจไม่ส่งใจไปในที่อื่นกระทําเทศนานั้นให้อยู่ในใจของตนเท่านั้นเนี่ยนะหมายเขาว่าโอ้คล้ายๆกับอะไรนะเหมือนกับว่ากลัวจะหายไปนะพุทธพจน์แต่ละพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสเนี่ยไม่ต้องการให้หายไปแม้แต่คําเดียวอยากจะปลูกฝังเอาไว้ใน ในจิตในใจแล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยประกาศถึงสิ่งที่ดีฟังแล้วก็พ้นทุกข์ได้เสียดายเนี่ยถ้าเกิดทัน น, นะถ้าเกิดเร็วกว่า น, นี้สัก2อ0 0เออปีเนี่ยนะได้ฟังแน่เลยเนี่ยเสียดายได้ฟังเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไรมกันอยู่ไม่รู้นะพวกเราลงเรื่อง <c oughs> บทว่าสับพังเจตโสสมณ น, นาริตตวาภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนึกถึงเทศนาเหล่านั้นด้วยใจ อันเป็นตัวนำทั้งปวงทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าใช่หใจนี่แหละเป็นตัวนำทำให้นึกถึงเทศนานึกถึงเทศนาตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดคํานึงอยู่ในเทศนานั้นนั่นเองเทศนาทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคําสอนนั้นเป็นไปอย่างไรก็ติดตามเรื่องตลอดอีกอย่างหนึ่งบทว่าสับพังเจตโสสมณะหริตวาความว่านามาเนืองๆโดยชอบซึ่งเทศนาจากจิตทั้งหมดอธิบายว่า เมื่อผู้แสดงทำเทศนาด้วยจิตใดไม่ให้เทศนาที่เป็นไปจากจิตทั้งปวงในภายนอกแล้วนำมาเอา่อนมาโดยเนืองๆโดยชอบไม่ผิดแผกนำจิตสันดานของตนมาทรงไว้ด้วยดีซึ่งเทศนาตามที่ทรงแสดงแล้วเคยมีสักครั้งหนึ่งไว้ที่หูเราไม่เคยคลาดจากเสียงไม่แต่เสียงเดียวในคำสอนหรืออ่านธรรมะแบบใจที่สงบนั้นไม่คลาดแม้แต่อักษรเดียวเลยเนยนะ ใครที่ฝึกได้ก็ถือว่าจิตตวิสุทธิถือว่าดีใช้ได้เลยนะติดตามเรื่องราวตลอดอ่านแบบอะไรนะตื่นตัวตื่นใจมากเลยนะไม่ง่วงไม่ซึมไม่เบลอไม่ฟุง้งไม่อะไรทั้งนั้นนะะเหมือนกับอะไรนะใครเคยอ่านข่าวดีบ้างไหมก็มีอะไรนะมีจดหมายข่าวดีส่งมาบอกเราที่เราอยากรู้เรื่องนี้มากอ่นะจะรู้สึกยังไงของเราอ่านนี่พานอสูตรแล้วคิดยังไงเนะี่ย ตรงกันข้ามเลยนะแสดงว่าเราก็ยังไม่ได้อะไรนะพื้นฐานเบื้องลึกจริงๆของเราก็ยังไม่ได้คิดว่าดีจริงๆอะไรหรอกเนยบางทีเนี่ยนะถ้าพูดแบบภาษาหนึ่งเนี่ยนะคำสอนที่จากบิพานสูตรเขามาว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันมีราคาเกินร้อยบาทสักเท่าไหร่ใช่ไหมบอกว่าร้อยบาทก็อ่านสูตรนี้เลือกเอาอันไหนอืมค่อยจริงเถอะ ตอ้ก er ็ไปท่องอะ้รได้ก็แล้วกันเพราะจริงๆบางทีเนี่ยนะสู้ทั้งศูนย์ไม่ได้มีค่าเท่ากับโทรศัพท์กิ้งเดียวเลยสำหงก็พูดถึ่งรวมๆวหมือนนั่งว่าแต่ก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะมันอยู่ที่ว่าถ้ามันอยู่ที่เราเห็นว่าอะไรคือสาระจริงๆนะก็สุดแทแต่ว่าเราคำนึงว่าอะไรดีอะไรมีประโยชน์อะไรมีคุณค่า พระพิสูจน์เหล่านั้นเนื่องจากท่านเหล่านั้นเนี่ยนะที่ติดตามทําได้อย่างนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะท่านตั้งอัธยาสาัยเกลียดขันห้ามาเป็นอสงไข่เป็นกลับกับกันท่านตั้งเป้าว่าท่านเกลียดขันห้ามาเต็มทีเนี่ยเป็นกลับกับเลยนะพราะพ อ, พอได้ยินคําว่าคําสอนบอกวิธีออกจากขันห้าท่านดึงดีใจมากอ่ะนะเหมือนกับว่าคนที่เบื่อหน่ายในคุกเนี่ยนะที่ติดคุกมาเนิ่นนานเต็มทีแล้วอยากจะออกอยากจะแหกคุกมานานเต็มทีแล้ว มีคนเอากุญแจมางัดงัดแหมจะงัดให้ออกจากคุกได้นี่จะดีใจตื่นเต้นขนาดไหนนี่ก็เหมือนกันพระพิสูจน์เหล่านั้นท่านจึงทําได้แต่ของเราบอกไม่ใช่คุกนี่วิมานสวรรค์อย่างเงี้ยนะมันจะไปออกได้ยังไงใครมาชวนออกก็จะรีบไปไหนเนี่ยนะมนันเมืองก็สงบร่มเย็นอยู่ดีอย่างเงี้ย น, นะมัไม่คิดจะอะไรบทว่าโอหิตตโอหิตตโสตาเนี่ยโสดลงฟังคือตั้งโสดไว้ด้วยดีคือว่าไม่คลาดแม้แต่คําเดียวว่างั้น บทว่าโอหิตะโสตานั้นมีโสตะประสาทอันไม่มีอะไรรบกวนไม่ใช่ว่าฟังธรรมแต่ได้ยินทุกเสียงที่มีอยู่ในบริเวณนั้นทั้งหมดไม่ใช่ใช่นี้ได้ยินแต่เสียงธรรมะอย่างเดียวหมายคำว่าบุคคลแม้เมื่อได้โสตะประสาทที่ไม่มีอะไรรบกวนนั้นนั่นแลจึงไม่ฟุ้งซ่านในการฟังเหมือนมีสติเหมือนสติสังวร น, น, นะหมายคำว่าหูเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอื่นเลยได้ยินแต่เสียงแห่ง พระธรรมใจก็ไม่ได้ไปในเรื่องอื่นติดตามแต่เนื้อหาของอริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ก็ถ้าเทียบนะสมัยโนเนี่ยการติดตามประมวลใจด้วยใจทั้งหมดติดตามหูไม่มีเสียงอื่นเลยฟังได้ยินแต่เสียงพระพุทธเจ้าใจก็ไม่คิดเรื่องอื่นเลยคิดแต่ตามคําสอนเหล่านั้นสมัยนั้นนี่สมควรแล้วแต่สมัยนี้ถ้าฟังเอาขนาดนั้นเลยนี่ถ้าจะแย่ทําไมรู้ไหม เพราะน้อยนักที่จะเป็นคําสอนไงโดยมากมันเป็นเดรัจฉานกระถานเนี่ยนะถ้าฟังขนาดนั้นก็สเสียหายมากมากเลยเพราะในยุคหลังๆมาเนี่ยคำสอนที่เป็นอริยสัจจะทำมีไม่มากไม่คู่ควรแก่การปล่อยใจขนาดนั้นบางคนเนี่ยฟังด้วยความหวาดระแวงนะฟังด้วยความหวาดระแวงจริงๆเอเอบางอย่างนี่ฟังแล้วเครียดเลยนะคือฟังนานๆาถ้าอย่างเหมือนกับว่าอาหารที่มันมีทั้งอาหารด้วยมียาพิษอยู่ด้วยในนั้นนะนะ มันเหมือนกับอะไรแบบช็อกโกแลตเป็นเม็ดๆใช่ไหมมีชอบเม็ดเม็ดเม็ดอาหารด้วยเม็ดยาพิษด้วยเอ๊ทานไปทานมามันนั่งคัดนั่งแยกอยู่นั่นแหละกลายเป็นว่าเครียดเลยแค่นี้ไม่อร่อยอย่างที่ว่าแล้วฉันใดก็ดีการฟังธรรมในยุคหลังๆก็เหมือนการชื่อว่าธรรมก็จริงโดยชื่อนะแต่ว่าสภาวะที่พูดถึงอาจจะไม่ใช่ธรรมก็ได้อาจจะเป็นอกุศลธรรมก็ได้เพราะอะไรเพราะคำคำที่พูดเหล่านั้นโดยมากไม่ใช่ สัจจะเนี่ยนะไม่ใช่อริยสัจจะจริงอยู่สิ่งเหล่านี้อาจจะจริงแต่ก็เป็นความจริงที่มีอยู่ที่ไม่ได้ช่วยทําให้พ้นทุกอะไรเลยนะความจริงในโลกนี้ก็มีหลายอย่างใช่ไหมสมมติสัจจะวาจาสัจจะเวรติสัจจะทิฏิสัจจะแล้วในสิ่งเหล่านั้นที่เป็นอริยสัจมีสักเท่าไหร่พันคนที่ที่ตามเรื่องติดตามได้ตลอดทั้งหมดจําได้หมดก็ไม่ได้ว่าถ้าเลือกข้อมูลไม่ดีนี่ก็เสียหาย แต่ว่าสมัยพุทธกาลท่านเหล่านั้นได้ข้อมูลความรู้ที่มาตรฐานจริงๆเป็นความรู้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องไม่มีผิดพลาดแม้ปลายขนทรายเนี่ยนะซึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในนั้นพระองค์รู้อัธยาศัยโดยประการทั้งปวงขณะเดียวกันถ้าเราจะเข้าใจผิดนิดเดียวเนี่ยพระองค์ก็แก้ให้เราแล้วเนี่ยนะแก้ให้เราทันทีในขณะนั้นแต่ว่าถ้าทําบุญมากกว่านี้หน่อยอาจจะได้ฟังต่อไปรออีกเถอะรออีกหน่อยนะ กี่ปีดีกว่าพระสีอานจะมาะสรุปแทวนว่าภิกษุเหล่านั้นก็ฟังด้วยความเคารพ แ, แสดงการเอื้อเฟื้อในการฟังสรุปว่าใจของท่านไม่เป็นใตยอย่างอื่นเลยพระพุทธเจ้าเอาทรงทราบโดยอาการทั้งปวงซึ่งภาวะที่ภิกษุเหล่านั้นมีการกระทําความเอื้อเฟื้อในการฟังธรรมกถาอันเกี่ยวด้วยพระนิพพานนะั่นเห็นความเคารพเห็นความสนใจเห็นความฝักใฝ่ ของพระพิสุเหล่านั้นเนี่ยนะพระองค์ก็เลยแป่งอุทานประกาศที่ประกาศภาวะที่พระทิ่พานมีอยู่โดยปรโดยประมัดมีอยู่โดยเป็นสภาวะที่จริงแท้ประมะเนี่ยนะก็ประมะบวกอาาัฐะเป็นประโยชน์ที่มีอยู่โดยจริงแท้เป็นประโยชน์ที่สูงที่สุดโดยหนทางคือการประกาศธรรมเทศนาในสิ่งที่ตรงกันข้ามจากพระนิพพานนั้น สรุปนะใครที่จะเข้าใจอะไรดีเนี่ยนะบางทีก็ต้องพูดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามเช่นจะพูดถูกให้เข้าใจดีต้องพูดผิดถ้าจะพูดพระนิพพานที่เป็นสภาวะอย่างหนึ่งต้องพูดสิ่งที่มันตรงกันข้ามานะคนที่จะเข้าใจชัดอีกอย่างหนึ่งหมายความว่าไปเข้าใจอีกอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็จะเข้าใจอีกชาติอีกอย่างหนึ่งพระองค์บอกว่าอัติปแปลว่ามีอยู่สภาวะแห่งพระนิพพานเนี่ยมีอยู่โดยประมัติถามว่า ก็การเปล่งอันยังปีติและโสมนัสให้ตั้งขึ้นก็ดีอันยังธรรมสังเวทให้ตั้งขึ้นก็ดีไม่มุ่งถึงคนรับชื่อว่าอุทานและในอุทานนี้อุทานนั้นมาในสูตรมีประมาณเท่านี้เช่นนั้นเหมือนกันไม่ใช่หรือแต่เพราะเหตุไรในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงเปล่งอุทานทำไมจึงเรียกภิสูจนนั้นเล่า กติกา <i> ah> ของคํา ว, า, นะ uh ah นะาว่าอุทานนะสุตะเคยยะเวยากรณาคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละเนี่ยนะเขาก็มีกฎเกณฑ์ของเขาใช่ไหมว่าถ้าสูตรแบบนี้เรียกว่าแบบนี้เรียกว่าสูตรแบบนี้เรียกว่าสุตะนี้เรียกว่าเคยยะนี้เรียกว่าเวยากรณะนี้เรียกว่าคาถานี้เรียกว่าอุทานอิติวุตกะชาตกะแบบนี้แบบนี้แบบนปกติคําว่าอุทานนี่แปลว่าคําพูดที่เกิดจากปีติโสมนัสหรือเป็นคําพูดที่เกิดมาจากธรรมสังเวท ไม่ต้องการว่าใครจะฟังหรือไม่ฟังไม่มุ่งที่คนรับแต่ทำไมในสูตรนี้บอกว่าพิกเวดูก่อนพิกสูงาลายทำไมจึงตรัสเรียกพระพิสูไม่ไม่ไม่ผิดกฎเกณฑ์ไม่ใช่หรื อ, อนะตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พิกสุเหล่านั้นอันเกี่ยวด้วยพระนิพพานเพื่อให้พิกสูเหล่านั้นเข้าใจนะพระองค์ก็แสดงเพื่อให้เขาเข้าใจพระองค์ก็เกิดปีติโสมนัส หวนระลึกถึงคุณของพระนิพพานก็เปล่งอุทานขึ้นอันนะเป็นการหวนระลึกถึงคุณของพระนิพพานของพระองค์เนี่ยนะแต่ถ้าพระองค์ไม่เรียกชื่อเลยนะแล้วพูดพรุ่งขึ้นมาเฉยๆเนี่ยอะไรจะดูดีไหมก็เรียกคนฟังท่านหน่อยนะแต่เรียกว่าอะไรตามธรรมเนียมว่างั้นเถอะพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบความปริวิตตกแห่งจิตของพิสุเหล่านั้นว่าสภาวะธรรมทั้งหมดในพระศาสนานี้เว้นจากพระนิพพาน ที่เป็นไปเกี่ยวเนื่องกับปั internet, จจัยเท่านั้นเกิดขึ้นได้ที่ปราศจากปัจจัยฮเกิดขึ้นได้ไหมคือพระพิสุกกลุ่มหนึ่งที่ฟังอยู่ที่นั่นเนี่ยนะพระพิสุเหล่านั้นคิดว่าในศาสนานี้ทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่เกิดจากปัจจัยใช่เนื่องด้วยปัจจัยทั้งนั้นทุกศาสตร์ก็เนื่องด้วยปัจจัยสมุทัยศาสตร์ก็เนื่องด้วยปัจจัยมรรคศาสตร์ก็เนื่องด้วยปัจจัย แต่นิพานนี้เกิดในปัจจัยไหนนิพานนี่ปัจจัยไหนสร้างนิพานขึ้นอะไรเนาะเป็นตัวสร้างสภาวะนิพานขึ้นอะไรเอ่ยพระองค์ก็มีพระประสงค์จะให้พระพิสูจน์เหล่านั้นเข้าใจเนี่ยนะแล้วก็การกล่าวอุทาเนี่ยไม่ใช่ทําให้พิสูจน์เหล่านั้นเป็นผู้รับโดยส่วนเดียวเนี่ยนะแต่ว่าเป็นการประกาศถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นบทว่าตทาไทยตระนัง อายตนะนั้นเนี่ยนะอายตนะเนี่ตรงนี้แปลว่าเหตุนะอายตนะแปลว่าเหตุตังอายตนะเนี่ยนะตาธาอายตนะเนี่ยเหตุนั้นถ้าอักษรเป็นสนธิพระนิพพานท่านเรียกว่าอายตนะเพราะเป็นเหตุนิพพานเนี่ยเป็นเหตุคือเป็นอารามณปัจจัยแก่มัรคยานผลยานเป็นต้นเหมือนอะไรเหมือนรูปารม์เป็นอารามณะปัจจัยแก่ จากขูวิญญาณนิพพานก็เป็นอา ร, รมณะปัจจัยแก่มัรคยานและผลยานมัณอาริยมรรคอริยผลมีนิพพานเป็นอารมณ์หรือรู้พระนิพพานท่านบอกว่าจิตเหมือนผู้เท่าใช่ไหมอารมณ์เหมือนกับไม้เท้าคนแก่ชันใดก็ดีมัรคยานก็เหมือนกับเป็นผู้เท่าจะต้องอาศัยอารมณ์คือพระนิพพานพยุงให้จิตตั้งมัน่น ด้วยคําเพียงเท่านี้พระองค์ประกาศถึงอสังขตะธาตว่ามีอยู่โดยปรมัติ์แก่ภิสุเหล่านั้นอะนะตกอาะไปคํหนึ่งเห็นใช่ไหมในหน้า7นึรเอ่อหน้าเจ็บรรทัดที่5พระองค์ประกาศถึงอสังขตะธาตหายอะไปคํหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยปรมัตา์นะนิพพานเป็นสิ่งที่มีอยู่โดยปรมัติ์ ในข้อนั้นมีนยะแห่งธรรมะดังต่อไปนี้คือมีนยะวิธีการอธิบายดังต่อไปว่าเพราะสังคตะธรรมมีอยู่แม้ อ, ส, อสังคตะธรรมก็มีอสังคตะธรรมคืออะไรเพราะคู่ปรับต่อสภาวะธรรมอสังคตะธรรมเนี่ยคือค่าศึกต่อสภาวะธรรมออดียังไงเนาะ ก็ยกนะตัว อ, อย่างสิเมื่อทุกมีอยู่แม้สุขที่เป็นคู่ปรับกับทุกนั้นก็มีอยู่ฉั้นใดเช่นเมื่อความร้อนมีอยู่แม้ความหนาวก็เป็นคู่ปรั บ, แ, นนกรบแก่ความร้อนก็มีอยู่เมื่อบาปประธรรมมีอยู่แม้กัลยาณธ ร, รรมก็มีอยู่เพราะเป็นคู่ปรับใช่ไหมอสังคตธรรมเนี่ยมันเป็นคู่ปรับต่อสังคตะธรรมเพราะเป็นข่าศึกต่อสังคตะธรรมเหมือนอย่างว่าโลภะมีอยู่อโลภะก็เป็น คู่ปรับต่อโลภะโทสะมีอยู่อโทสะก็เป็นคู่ปรับต่อโทสะอะโมหะโมหะมีอยู่อโมหะก็เป็นคู่ปรับอะกุศลมีอยู่กุศลก็เป็นคู่ปรับฉะนั้นเหมือนกันดังที่ยกตัวอย่างในสุมเมธกะถาคมภีพุทธวงศมาว่าเมื่อทุกมีชื่อว่าสุขก็มีฉันใดเมื่อพบมีวิพบคือภาวะที่ปราศจากพบก็จำต้องปรารถนาฉันนั้น เมื่อความร้อนมีความเย็นก็มีได้ฉันใดเมื่อไฟสามกองมีพระนิพพานจำต้องปรารถนาฉันนั้นเมื่อบาประธรรมมีกาลยานธรรมก็มีฉันใดเมื่อความเกิดมีความไม่เกิดก็จำต้องปรารถนาฉันนั้นเนี่ยนะาฉนั้นพระนิพพานนั้นเป็นเรียกว่าสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อทุกขสัจจะจริงๆเขาบอกว่าทุกขสัจจะเป็นปวตัตะใช่ไหมทุกขสัจจะเป็น ปวัตเป็นสิ่งที่เป็นไปพราะพระพนิพพานมอกนิวัตะเลิกไปจากไปเป็นหัวนกลับเฉยเลยอย่างเงี้ยนะจากสังคตะก็เป็นอาสังคตะคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกันหมดเลยเนี่ยนะคือสมมุติถ้าเวลาความทุกเกิดขึ้นเนี่ยนะชาติทุกเกิดขึ้นเนี่ยเราคิดถึงอะไรคือคือถ้าใครที่จะเริ่มฝึกคิดเรื่องพระนิพพานเนี่ยนะโดยโดยปกติเนี่ย มีอัธยาศัยเทวาชาติชารามรณโโาโศกปริเทวทุกโทมนัสและอุปาญาตพระนิพานพานคืออัจฉริคือความไม่เกิดเริ่มคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเกิดพระนิพพานคืออัชาราคือมันไม่แก่มันไม่ใช่แบบนี้ก็แล้วกันนะมันไม่แก่ก็แล้วกันนะถ้ามีความตายพระนิพพานไม่ใช่สิ่งที่ตายเมื่อมีความโศกพระนิพพานคือสิ่งที่ไม่โศก เมื่อมีความคล่ำครวนพระนิพพานไม่ใช่สภาวะที่คร่ำครวญเมื่อมีทุกข์พระนิพพานไม่ใช่สภาพของทุกข์เมื่อมีเสียใจสภาพแห่งพระนิพพานไม่ใช่เสียใจเมื่อคับแค้นใจสภาวะแห่งพระนิพพานไม่ใช่เป็นความขับแค้นใจคือคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามตรงกันข้ามตรงกันข้ามแล้วที่จะทําให้เข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรอันนั้นแหละเข้าจึงที่มาของการเจริญมรรคแปดถ้าหาว่า คิดว่าสังคตะอสังคตะถ้าคิดไปคิดมาแล้วนะถามว่าเพิ่มการเจริญอริยมรรคมากขึ้นไหมคือการอธิบายพระธรรมเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเราตั้งบทตั้งพยัญชนะตั้งอัฏฐผิดมันจะไม่นํามาเสื่งการเจริญอริยมรรคทั้นในในพระพุทธพจน์เนี่ยการวางศัพท์การวางรูปการวางโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเกื้อกูลต่อการเจริญมรรคสัจจะเนี่ยนะเป็นการเกื้อกูลต่อการเจริญอริยมรรคมากขึ้น อ ย, อย่างข้อความที่เปรียบการตรงนี้เมื่อทุกมีอยู่สุขก็มีเมื่อพบมีอยู่สิ่งที่บอกว่าสิ่งที่ปราศจากพบก็มีเมื่อร้อนมีก็มีเย็นเมื่อไฟสามกองมีอยู่สิ่งที่ดับไฟสามกองก็ต้องมีเมื่อบาปมีอยู่ก็ยังมีบุญเป็นคู่ปฏิปกักษ์เมื่อเกิดมีอยู่สิ่งที่ไม่เกิดก็น่าปรารถนาทาอย่างไรสมบทามเมื่อทุกมีอยู่ทำอย่างไงเนาะจึงจะเข้าถึงความสุข เมื่อพบมีอยู่ทำยังไงนะจะปฏิบัติเข้าถึงความปราศจากพบเมื่อความร้อนมีอยู่ปฏิบัติยังไงจะถึงความเยือกยินเมื่อไฟสามกองมีอยู่ปฏิบัติยังไงจึงจะดับไฟสามกองได้เมื่อบาปกระทำมีอยู่เจริญยังไงจึงจะเป็นกัลยาณธรรมเมื่อความเกิดมีอยู่ปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เกิดอ น, นันที่มาว่าทำไมมัคคสัจจะจึงแสดงเป็นอันดับสุดท้ายใช่ไหม มักศัจจ์ไม่ใช่เขาไม่แสดงเป็นอันดับแรกแสดงทุกสมุทัยนิโรธและมักเพราะมักคือปฏิปทาเครื่องให้ถึงความสุขเหล่านั้นเหล่านั้นพันใครที่บางคนเนี่ยถ้าศึกษานิพานไม่ดีเออนิพานเป็นอะไรอสังคตะไม่มีอะไรปรุงแต่งก็เลยพอไม่รู้จะปฏิบัติทําไมก็ไม่เห็นมีอะไรปรุงแต่งเลยขี้เกียจมากกว่าเดิมอีกพรันเป็นวิชาที่เรียกว่าโอ้โหนี่ถ้าไม่มีอัธยาศัยไม่มีศรัทธามาก่อนเลิกเรียนมานานแลว้วก็ขเขาว่ามันอสังคตะนี่ยเขาแปลว่าไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง ก็มันไม่มีอะไรควารู้สึกษาไปทําไมก็ขยันบ้างขี้เกียจบ้างก็จะเป็นอะไรไปไม่เห็นต้องเพียรจะต้องพยายามอะไรเชา้าชามเย็นกะละามางังไปเรื่อยๆไปซักผ้าไปล้างชามไปทํางานไปอะไรไปเรื่อยก็ไม่เห็นจะรีบไปไหนใช่ไมก้อนนิพพานมันเป็นอสังขตะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งก็มันไม่มีอะไรอ่ะก็มันไม่มีอะไรจะทําไปทําไมะนะเมื่อไรก็ได้เมื่อไรก็ได้แต่ตรงกันข้ามถ้าบอกว่านิพพานเป็นธรรมชาติที่ดับสังขตะเหมือน สุขเป็นที่ดับทุกขเออหน้าภาคเพียรพยายามนะถ้าเราเข้าถึงความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็หมดไปถ้าเราปฏิบัติถ้าพบพบเนี่ยนะพบในนรกเป็นต้นถ้าเราดับเพื่อไม่ให้เกิดในนรกได้เป็นความดีที่มาของความภาคเพียรพยายามนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นวิริยะวาดวิริยะวาดคือคําสอนลทัทธิที่สันเสริญเรื่องความเพียรพยายามเรื่องของความบากบัน่นเรื่องของความ มั่นคงก้าวหน้านะอย่างสูตรก่อนสูตรไหนจงเริ่มเนี่ยนะในหน้าเจ็ดศะนะจงเริ่มพยายามขวนขวายในพระพุทธศาสนาจงกําจัดเสนาของมัดจุมารเหมือนกุญชรหกักเออกุญชรคือช้างตัวประเสริฐย่ายีเรือนไม้อ้อฉะนั้นผู้ใดไม่ประมาทเห็นแจ้งในพระธรรมวินัยนี้หรือผู้ใดไม่ประมาทปฏิบัติอยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจักละชาติสงสารธรมที่สุดแห่งทุกได้ เพราะพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่ทำที่สุดแห่งทุกข์ก็จะภาคเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อให้ถึงธรรมที่เป็นที่สิ้นไปแห่งทุกข์เนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งการไขความถึงนิพพานว่ามีอยู่โดยปรมัติเดี๋ยวจะอธิบายข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแสดงอสังขตะธาตุคือสภาวะที่กําจัดสังขตาธาตุว่ามีอยู่โดยปรมัติ พร้อมด้วยมูเออโดยพร้อมมูลเพื่อธิบายโดยรอบด้านชนิดแล้วบัตรนี้เมื่อจะแสดงสภาวะที่พระนิพพานนั้นมีอยู่โดยโโมกมกคือแนวทางความผ่องแผ่แห่งธรรมที่ผิดจากธรรมที่ตรงกันข้ามจากาสังคตะการที่จะรู้จากาสังคตะจําต้องรู้จกักสังคตะเพราะว่าพระนิพพานเนี่ยคือสิ่งที่กําจัดสังคตะในข้อนั้น เพราะเหตุที่พระนิพพานมีสภาวะผิดตรงกันข้ามจากสังขารทั้งปวงตรงกันข้ามเลยนะอยู่โคลไฟเลยนะข่าศึกกันเลยแหละไม่มีบรรดาสังตะธรรมในไหนฉันใดแม้ในพระนิพพานก็ไม่มีสังตะธรรมนั้นทั้งหมดฉะนั้นเพราะสังฆะธรรมและอสังฆะธรรมรวมกันไม่ได้เหมือนกุศลเจตสิกอ ก, กุศลเจตสิครวมกันได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะ ในข้อนั้นมีการอธิบายดังต่อไปนี้ปัทวีธาตมีลักษณะแข็งอาโปธาตไหลไปเกาะกุมเตโชธาตอบุญวายโยธาตเคลื่อนไหวธาตทั้งสี่ไม่มีในพระนิพพานใดคืออสังกตธ า, าตเนี่ยเหล่านี้เนี่ยนะไม่มีธาตสี่ประกอบเลยเพราะอะไรเพราะนิพพานเนี่ยเป็นที่สลัดออกจากสังคจากมหาพูททั้งสี่ก็มีอยู่ห้าคำด้วยกันปัทวีธาตเหตุเกิดของปัทวีธาต ความดับปฐวีธาตุอสาธาตุปฐวีธาตุอาทีนวะปฐวีธาตุนิพานคือนิสรณะของปฐวีธาตุเพราะฉะนั้นนิพานนั้นจึงเป็นที่สลัดออกจากมหาภูตรูปทั้งสี่เนี่ยนะธาตุเหล่านั้นเมื่อว่าโดยความไม่มีแห่งมหาภูตรูปสี่คือเขาบอกว่านิพานเนี่ยที่สลัดออกจากมหาพูดเนี่ยนิพานยังไม่มีมหาพูดทำไมจะต้องไปพูดถึงสีเสียงกลิ่นรสจะมีอยู่ใน นิพพานในเล่าเนี่ยนะเพราะว่าสีเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเป็นสิ่งที่อาศัยธาตุสีอาศัยมหาพูทธรูปสี่เพราะฉะนั้นคําว่าไม่มีมหาพูทธรูปสี่นี่ประกาศถึงว่าแม้การมาพบรูปประพบก็ไม่มีในพระนิพพานโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะพระนิพพานเนี่ยรูปประพบอรูปประพบไม่มีอยู่ในสภาวะแห่งพระนิพพานเพราะอะไรเพราะไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระนิพพานนั้นไม่เกี่ยวกันเลย เพราะปัญจโวโการภพหรือเอกโวโการภพเนี่ยนะเว้นจากมหาพุตธรูปมีได้ไหมนรกถ้าไม่มีมหาพุทธรูปสี่เขาจะเรียกว่านรกได้ไหมไม่ได้เปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาพรมรูปประพรมทั้งหลายจนถึงสัญญาสัตตาพรมเนี่ยนะถ้าไม่มีมหาพุทธรูปสี่เขาจะเรียกได้ไหมไม่ได้ก็เนื่องจากมีมหาพูทรูปสีแต่นี่ผ่านไม่มีมหาพูทรูปสี่แบบนั้น บัดนี้เมื่อจะแสดงธรรมที่นับเนื่องในอรูปประพบไม่มีในพระนิพพานเพราะพระนิพพานนี้มีสภาวะเป็นอรูปรูปนี้เป็นอะไรนะรูปนี้เป็นสภาวะที่สลายไปใช่ไหมนิพพานนี้เป็นอรูปเพราะไม่สลายสูตรก่อนเนี่ยสูตรก่อนสูตรไหนที่เรียนไปแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งเรียนเมื่อเช้าเองเนาะลืมนะหน้าหกร้อยสาสิเก้าอัตถกถาสุขภูติสูตร ที่จริงในพุทธพจน์ในหน้า637เนี่ยนะจะเห็นในคาถาเห็นไหมมีความสำคัญนิพพานอันเป็นอรูปอัตถคถาหน้า3เอ่อหน้า639อธิบายว่าพระอริยบุคคล น, นั้นชื่อว่ามีความสำคัญในอรูปด้วยมรรคสัญญาและผลสัญญาอันเป็นไปโดยกระทําพระนิพพานอันได้นามว่าอารูปให้เป็นอารมณ์เพราะไม่มีสภาวะแห่งรูปเพราะอะไรเพราะนิพพานไม่มีวิการ คือผันแปรเลยเนี่ยนีามาล้วงเปิดไม่ถึงแก่งมากย้อนย้อนกลับมาตามเดิมนะีในหน้า716ย่อนหน้ากลางล่างๆว่าเมื่อแสดงถึงธรรมะที่นับเนื่องในอรูปประพบไม่มีในพระนิพพานเพราะพระนิพพานนี้เป็นสภาวะอรูปคือบางคนนี่ไปเข้าใจผิดว่าเมื่อพระนิพพานเป็นนามธรรมเนี่ยนะจะต้องมีอรูปประพบอยู่ในนั้นสิ บางคนนี่เข้าใจผิดใช่ไหมว่าเอากาสารัญจายตนะน่าจะอยู่กับนิพพานนิพพานคืออากาสารัญจายตนะแบบลัตที่เดรัตถีเดรัตถีบางพวกถือว่าอากาสารัญจายตนะเป็นนิพพานบางพวกถือว่าอากินจัญญายตนะบางพวกถือว่าเนวะสัญญาอย่างอาลาระดาบทอุตกะดาบทถือว่าอากินจัญญายตนะกับเนวะสัญญานาสัญญายตนะว่าเป็นนิพพาน อากาสารนัญจายตนะทั้งสาอย่างคือทั้งกุศลวิบากและกิริยาพร้อมทั้งอารมณ์ก็ไม่มีอยู่ในนิพพานกามาโลกไม่มีในพระนิพพานด้วยอารมณ์ใดอิทธโลกปรโลกก็ไม่มีในนิพพานด้วยอารมณ์นั้นพระนิพพานจึงไม่มีโลกนี้ไม่มีในโลกหน้าอธิบายว่าขันห้าในชาตินี้ที่ได้ชื่อว่าปัจจุบันหรือชื่อว่าโลกนี้หรือว่าขันทลโลกอันได้ชื่อว่าโลกอื่นจากโลกนี้ปรโลก หรืออภิสัมภรยพในชาติหน้าทั้งสองไม่มีอยู่ในที่ใดณอุพโจนธิมะสุริยาเพราะเหตุที่เมื่อมีรูปก็ต้องมีความมืดใช่ไหมเพื่อจะกําจัดความมืดได้ก็ต้องอาศัยพระจันทร์และพระอาทิตย์กลมเวียนไปแต่รูปโดยประการทั้งปวงไม่มีในที่ใดความมืดก็จะมีในที่นั้นได้แต่ที่ไหนพันธนิพาน์จึงไม่มีความมืด อีกอย่างหนึ่งการกําจัดความมืดคือพระจันทร์และพระอาทิตย์ฉะนั้นพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองย่อมไม่มีในพระนิพพานใดด้วยคํานี้พระองค์แสดงถึงพระนิพพานมีความสว่างสวัยเป็นสภาวะเนี่ยนะก็คิดดูนะถ้าบรรลุพระนิพพานในโลกดับถีน้มิถะได้เด็ดขาดได้เอาสิเลิกลโรคเสื่อมซึมทั้งหลายจะหายไปหมดเลยนะถ้าบรรลุนิพพนะานเนี่ยนิพพานนี้แสดงว่าทําให้เลิกมืดได้เนี่ยนะ ง่วงๆอยู่แสดงว่ายังไม่ได้แทงตลอดพระนิ้พันกัเลยซึมๆมืดๆเนี่ยนะเพราะต้องอาศัยรูปนะเขามีนบางประเทศเนี่ยเขาบอกว่าต้องประเทศที่มันหนาวเย็นจัดเนี่ยนะต้องเปิดไฟเนี่ยแล้ ว, ลวนั่งดูความสว่างจึงจะหายจากโรคซึมซึมคือเขามีโรคบางกลุ่มที่ที่มันหนาวอยู่ห ล, ยหลายๆเดือนติดๆกันเนี่ยนะเรียกว่าแล้วก็ครื่นๆตลอดต้องนั่งดูแสงสว่างนะไม่งั้นเนี่ยจะเสียจะจะป่วยเป็นโรคอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาเลย เนะขาอวิธีรักษาโรคนะนะนะึกถึงอะไรนะอโลกสัญญากำจัดถีนามิทนะมันโรคบางโรคเนะี่ยที่ถ้ามันอยู่ในมืดแบบบรรยากาศครึม้มตลอดแล้วก็ ส, สลัวส ล, วสลวหน่อยๆเนี่ยนะต้องไปนั่งดูแสงสว่างนะนะันั่งเปิดไฟแล้วก็นั่งดูสว่างสว่างนั่นแหละนะด้วยคำเพียงเท่านี้พระธรรมราชานะพระสัตธรรมราชาเนี่ยนะเจ้าของปริยัตปฏิบัติและปฏิเวท เมื่อประกาศอมตะนิพพานเนี่ยนะนิพพานเป็นที่ดับผู้ที่แต่งตลอดพระนิพพานแล้วทำไม่เลิกตายเนี่ยนะที่ไม่เคยมีในสงสารคือไม่เคยนิพพานเนี่ยไม่เคยมีในลำดับแห่งขันธาตุอรยตนะขันอันหาเบื้องต้นรู้ไม่ได้ขันที่มันสืบเนื่องมาตลอดเนี่ยนะไม่เคยมีนิพพานแทรกอยู่ในนั้นเลยใช่ไหมแม้ที่สุดด้วยความฝันเป็นสิ่งที่ลึกโดยประมัดเห็นได้ยากอย่างยิ่ง ใครเคยฝันมาเห็นนิพพานบ้างไหมตื่นตื่นยังเรียนอยู่ตื่นตืนสว่างสวายนี่ยังไม่ค่อยจะเข้าใจเลยนะจะกลาวไปยายถึงหลับหลับเล่าอย่า ง, 好好ง Fraktion, Dan, า senate, นั้นเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากละเอียดสุขุมนึกเดาเอาเองไม่ได้สงบที่สุดแต่ก็เป็นสิ่งที่อำนวยผลเฉพาะตนเคยได้ยินนัสูตรก่อนนะมหาโมคคลานะสูตรหมนิพพานมัตตโนนิพพานของตนแต่เพราะอานวยให้ผลได้ เฉพาะตนถ้าบรรลุแล้วเผื่อๆกันได้ไหมแบ่งปันกันได้ไหมไม่ได้นะเหมือนกับอิ่มนี่แบ่งๆกันอิ่มได้ไหมเหมื่อทานอิ่มเสร็จแล้วนะโอ้โหไปทานอาหารอร่อยมากอิ่มเลยนะช่วยกันอิ่มหน่อยนะทําไม่ได้ฉันได้นี่ก็เหมือนกันแล้วก็นี่พานนี่เป็นสิ่งที่ประณีตยิ่งนักแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ยังไม่ได้บรรลุนะผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุก็ควรมีจิตใจฝักใ ฝ, ฝ่เพื่อที่จะบรรลุจึงให้ภิกษุเหล่านั้นขจัดความโง่เป็นต้นออกเสีย เออจะบรรลุนิพานนี่ต้องฉลาดนะโง่บรรลุไม่ได้หรอกเพราะพระนิพานนั้นมีอยู่ก่อนทีเดียวบอกว่าอัตถิพิขเวตทายาตนางดังนี้เป็นต้นประกาศพระนิพานนั้นโดยหนทางคือความไม่งมงายจากธรรมะอื่นออในธรรมะอื่นจากพระนิพานนั้นมันอย่าไปเข้าใจผิดนะว่าเออนิพานมีสีสว่างอุย้ยเป็นเมืองแก้วเมืองเพชรเมืองพลอยเมือง สารพัดเมืองไม่ใช่ไม่มีสีแบบนั้นหรอกเนี่ยนะท่านก็กจะบอกว่าไม่มีสีมีเสียงเพราะไม่มีดินน้ําลมไฟอ่ะนะก็ดินน้ําลมไฟนี่แหละเป็นเหตุให้เรียกว่าเพชรพลอยแก้วเป็นต้นใช่ไหมถ้าไม่มีดินน้ําลมไฟจะเรียกสิ่งนั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพระนิพพานไม่มีสีเสียงกลิ่นรสนะไม่มีแสงสว่างไม่มีอะไรนะเป็นการแสดงสภาวะของอสังขตะธาตุที่ตรงกันข้ามจากสังขตะธาตุเพราะเป็นธรรมที่ดับ สังคตาธาตุสังเกตดูนะอัตกถาท่านจะเน้นเสมอว่าตรงกันข้ามตรงกันข้ามานะไม่ใช่แค่ไม่มีนะแต่มันสิ่งที่ตรงกันข้ามานะสมมติว่าถ้าย่างว่าโมหะนี่ไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญญานะโมหะไม่ได้แปลว่าญาณวิปยุทธใช่ไหมโมหะแปลว่าญาณวิปยุทธได้ไหมไม่ได้โมหะต้องแปลว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับปัญญา คำว่าไม่มีปัญญานีบางทีญาณวิปยุทธก็ไม่ได้สัมปยุทธกับปัญญาจากภูวิญญาณเป็นต้นก็ไม่ได้ประสัมปยุทธด้วยปัญญาแต่โมหะคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับปัญญาฉันใดนี้ก็เหมือนกันอสังคตะคือสิ่งที่คนละฟากกับสังคตะเลยเพราะถ้าแทงตลอดอสังคตะจะดับสังคตะได้ ดูความพิสูจนทั้งหลายเราไม่กล่าวการมาอะไรอะไรจากสังขารที่เป็นไปตามสังขารเพราะเหตุสักว่าธรรมะเกิดในพระนิพานนั้นไปตามตัดใจคือนิพานเนี่ยไม่มีการมาจริงๆเลยนะนิพานมาบางคนเขาบอกนิพานมีมาตั้งแต่เกิดเลยนลั่นแหละยังว่าใช่ไหมพระองค์บอกว่าปฏิเสธมันไ ม, ม่มีการมาแบบอย่างที่เข้าใจบ่านิพานมีมาตั้งแต่เกิดบางคนเนี่ยเขาบอกว่านิพานเนี่ย มีอยู่ในตัวเราทุกคนนั่นและใช่ไหมแฝงอยู่ตรงไหนอ่ะเอาก็นิพานไม่ใช่ปฐวีอาโปโตเตโชปฐพนิพานไม่ใช่จิตเจตสิกก็ขันห้ามันมีแต่จิตเจตสิกมันเขาบอกว่านิพานมันอยู่ที่นั่นด้วยการเนี่ยเป็นยังไงนั้นก็เนี<ก>่ยนะไม่รู้แล้วชี้นี่ยุ่งมากถ้าไปคิดตามแล้วป่วยเลยนิพานเราไม่กล่าวว่าอาคติ การมาแต่ที่ไหนในอายตนะนั้นนิพานอย่างนี้เพราะพระนิพานไม่มีฐานะที่จะพึงมานิพานมาไม่ได้หรอกเพือนิพานไม่มีการไปแล้วก็ไม่มีการมาใช่ไหมนักติงเราไม่กล่าวการไปในที่ไหนๆเพราะฐานะของพระนิพานจะพึงถึงไม่มีนิพานไม่มีมาแล้วก็นิพานไม่มีไปเพราะการมาและการไปของสัตว์ทั้งหลายเวน้นการกระทําให้เป็นอารมณ์ด้วยญาณไม่มีในพระนิพาน ตัวนิพานเองเนี่ยนะไม่มีการมาการไปโดยตัวเองเพราะนัผู้ที่จะตรัสรู้นิพานต้องเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดอริยมรรคประชุมกันนิพานเป็นอารามณะปัจจัตอันนิพานจึงไม่มีการมาไม่มีการไปแล้วก็ไม่มีตําแหน่งที่ตั้งด้วยอันหนึ่งชื่อว่านิพานนั้นไม่มีการมาเพราะในฐานะที่ควรมาเหมือนอะไรจากละแวกบ้านสู่ละแวกบ้านโย ม, มาจากไหนการเป็นต้นแล้นนิพานไม่มีการมาแบบนั้น ฟังธรรมจบจะไปไหนอันนี้เราก็มีที่ไปแต่แต่นิพานไม่ได้ไปแบบนั้นตั้งอยู่นั่งอยู่กันตรงไหนนิพานไม่มีที่ตั้งอยู่แบบอะไรนะภูเขาลูกนั้นอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ตรงไหนจะมีที่ตั้งแต่นิพานไม่ได้มีที่ตั้งแบบนั้นอันนี้พานจึงไม่มีการมาไม่มีการไปแล้วก็ไม่มีตําแหน่งที่ตั้งด้วยอันหนึ่งชื่อว่าไม่มีการเกิดเพราะว่านิพานไม่ได้มีปัจจัยสร้างให้เกิด ขณะเดียวกันนิพานก็ไม่มีจุติเพราะไม่มีการสลายไปเป็นสภาวะพระองค์บอกว่าเราไม่กล่าวทิฏฐิการตั้งอยู่จุติการเคลื่อนไปอุบัติการเกิดขึ้นเพราะพระนิพานไม่มีการเกิดและการดับก็เลยไม่มีการตั้งอยู่กําหนดด้วยการเกิดและการดับจึงไม่มีอุปาทิฏฐิและพังคะอันหนึ่งพระนิพานนั้นล้วนชื่อว่าไม่ตั้งอยู่ในที่ไหนๆ ไ, ไม่มีตําแหน่งที่ตั้งหรอกเพราะอะไรเพราะเป็น สภาวะอะรูปขณะเดียวกันก็ไม่มีปัจจัยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่มีที่ตั้งเชื่อว่าไม่มีไม่เป็นไปเพราะไม่มีความเป็นไปพร้อมและก็เป็นปฏิปักต่อความเป็นไปในพระนิพพานนั้นนะ่ะปฏิปักต่อการไปด้วยนะใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายนี่ไปโลกอันชารานําไปไม่ยั่งยืนโลกจาต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปก็มีแต่ไปไปไปไปอย่างนี้ตลอดเวลาใช่ไหมแต่นิพพานนี่มันทําให้ไม่ไปอะ่ะ ถ้ตรัสรุนิพานแล้วเลิกไปขณะเดียวกันพระนิพพานนั้นชื่อว่าอนารมณะไม่มีอารมณ์คือพระนิพพานสภาวะเขาไม่ได้รู้อะไรเพราะไม่มีอารมณ์อะไรที่ยึดน่วงจิตและเจตสิกทั้งหลายเวลาเกิดขึ้นจำต้องอาศัยอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์แล้วจิตเจตสิกตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีสีการเห็นจะมีได้ไหมเห็นไม่ได้ถ้าไม่มีเสียงจะเกิดการได้ยินได้ไหม ไม่ได้ถ้าไม่รู้กลิ่นการรู้กลิ่นจะมีได้ไหมเป็นต้นจิตเจตสิกจําต้องอาศัยที่ยึดเหนี่ยวแต่พระนิพพานไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเพราะไม่มุ่งถึงอารมณ์ที่อุปธรรมอ่านะไม่ต้องมีอุปการ ะ, ะธรรมไม่มีธรรมที่เป็นอุปการะอะไรต่อพระนิพพานไม่เหมือนเวทนาใช่เวทนานี้จําต้องอาศัยผัสสะเป็นเป็นสิ่งที่อุปธรรมถ้าขาดผัสสะถ้าผัสสะดับเวทนาก็ดับอ่านะถ้าผัสสะดับ สัญญาก็ดับถ้าภาษาดับสังขารก็ดับพัะเวทนาสัญญาสังขารจําต้องอาศัยภาษาเ ป, เป็นตัวอุปถัมภ์แต่นิพพานไม่จําเป็นไม่มีเพราะพระนิพพานเป็นอนารมณะปฏิเสธที่ยึดหน่วงแล้วก็ปฏิเสธปัจจัย เ, เ, เอเสวันโตทุกขสัตคานี้เพราะมากบอกว่านั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกเห็นไหมที่สุดแห่งทุกแหมถ้าเกิดอกบอกว่าคํานี้นะคล้ายๆกับว่า ถ้าเราเคยไม่สบายใจแบบนั่นเนี่ยที่ตั้งแห่งความดับความลําบากใจเนี่ยนะแม้จะดีใจขนาดไหนเขาบอกว่านั่นแหละเป็นที่ดับความเศร้าหมองแห่งจิตใจทั้งหมดโดยประการทั้งปวงมันใครที่เศร้าก็นึกถึงว่าถ้าตรัสรู้นิพพานจะเลิกเศร้าแบบนี้แล้วพระนิพพานซึ่งมีลักษณะตามที่กล่าวแล้วพระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญชมเชยบอกว่านั้นชื่อว่าเป็นที่สุดเป็นที่สิ้นสุดแห่งวัตทุกข์ เป็นที่สุดของการเกิดในนรกเป็นที่สุดแห่งการเกิดในเปรตเป็นที่สุดแห่งการเกิดในอสุรกายและเป็นที่สุดแห่งการเกิดจากเดรัจฉานมันให้เราเห็นครั้งแรกที่เหลือก็ไม่น่ามีปัญหาอะ้วใช่ไหมอันนั้นหน้าบเห็นอริยสัจครั้งเดียวเลิกไปอาบายนี่ก็ถือว่าอุย้ยประสบความสําเร็จไปเท่าไหร่ละเก้าสิบเก้าจุ้านะที่เหลืออีกถือว่าอุย้ยอโรหาฤกษ์ว่างั้นนะเพราะาอะไรพระองค์บอกว่าแน่นอนบรรลุแน่แต่ถ้ายังไม่เห็นอริยสัจล้วก็ ฟังแล้วยังเศร้าใจเลยนะเพราะผู้ที่ไม่เห็นอริยสัจในพระองค์บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระพิสดไปเห็นว่าเหวนี่มันลึกมากนะโอ้ยเหวนี้ลึกน่ากลัวเหลือเกินพระเจ้าค่ะมีอะไรที่มันลึกมันเหวที่มันลึกกว่านี้อีกไหมบอกมีอวิชาไงไอาการไม่รู้อริยสัจมันเหวลึกยิ่งกว่านั้นอีกอันนั้นน่ากลัวกว่าเยอะถ้าเทียบกับเหวตัวนั้นเนี่ยนะมันถือว่าผู้ที่ไม่เห็นอริยสัจไม่ตรัสรูพร้พระนิพพานเนี่ยถือว่าน่ากลัวมาก เพราะคนที่เห็นนิพพานอย่างนี้แล้วเนี่ยนะถ้าเห็นนิพพานอย่างเนี้ยพระองค์บอกว่าเหมือนเสาหลักที่ปักลงแปดซอกเนี่ยนะเสาหลักหินเนี่ยนะโผล่ขึ้นอีก8ปดซอกไม่สะเทือนด้วยลมฉันใดถ้าเห็นอริยสัจตรัสรู้นิพพานตามพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะไม่หวั่นไหวในลมปากของเดรธีฉันนั้นแต่ถ้าเราไม่ไม่ศรัทธาในถ้าเรายังไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะเชื่อไหมปริยัติเราก็ปฏิเสธได้ อริยมราก็ปฏิเสธคล่องอริยผลก็ไม่จําเป็นนิพพานยิ่งไม่ต้องการใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะเดรัทธีจะชวนเราไปรับประกันแห่งใครจะรู้ว่าเดรัทธีอาจจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ไม่ยากนะักม า, มาทั้งว่าท่าอื่นจากติดิติดเดรทัทธีเนี่ยนะเข ค, คือลทัทธิอื่นต่างจากมรมีองค์8เพราะถ้าเรายังไม่เห็นอริยสัจตรัสรู้พระนิพพานตามพระพุทธเจ้านะเราพร้อมที่จะฉูกชวนไปยังไงก็ได้ ไปไหว้หินปูนทรายไหว้ดินไหว้อะไรไหว้นับถือได้ทุกเรื่องไปหมดเลยแล้วก็แต่ว่าไอ้นับถือก็นับไปแต่ว่านับไปนับมามันไม่ได้อะไระสินะนับไปนับมานับเกิดที่ไหนดีเพราะว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นตัวรับประกันแห่ง